กองทัพเรนอวิกฤตมันก็จะไม่มาทางนี้หรอกวิ่เป็นทาง้อยทางคบสองเขาขับระดดเยอะกอทัพจะยกข้นมันได้ถ้าจะยก ข, ข, ข, ข, ข, ข, ขึ้ น, น, า น, านมาสก็จะต้องมาทางใหญ่าทางใหญ่นังนเกียอนนนนีกจะยกเทดอร์แสาอยู่ที่ไหนจะมาไดา้และบางนีถ้าตัวเราเพิ่งจะเลอเละเช่อทันวีร์วีีเอาใจส่กิจการม้านเมืองะ เราต้องจัดการตนไผ่เพืที่จะหยุดเราจะมันจาการไม่เลือกตัวไปกล่าแม้ทานยังมีวาตีเข้ามาได้เราจะจะหลบหนียอมเอาความสุขจะเป็นข้าผู้ใดก็ได้กินข้าวเหมือนกันเมื่อเชียจะมีอิสระกล่าวบางนี้จะเป็นข้าผู้ใดก็ได้กินข้าวเหมือนกันพระยามาเชี่ยวด้พอนั่งก็ทีเดียว ทนลำลายลงกม่าเลยแล้วก็ด่าว่ามึงนี่สือแรงเกิดมาหาความตะตันต์ต่เจ้าไม่ได้กินเบี้ยวัดหาปีเสร็เปล่าม่ได้รักษาเจ้ากระสือแต่จกความสุขส่ตัวไฮชนะบดีมาเชียวควันภรยาว่างอกสูดแต่ใจนะอุ้มมาน่ไปเท่านั้นเอง ถังกมน ต, ตังมีฟฟนี้เอาเป็นค่าขายถึงข้ามนกันผพยด่ า, าเ่ากลมมามนึ่งแต่ขณะนั้นีทหารเข้ามาแบวบนี้เป็นเงคุณตนสอพนตเข้ามาถึงกลางเมืองแล้วนี่เข้ามาถึงกลางเมืองแล้ว ม, า ม, าววมจะมเะตใจ จ, จับสา้มาใหม่ท ก็ออกไปกระทามตามความตั้งใจเดิมที่ตนมีอยู่คือ น, นอกนอ ก, อกตอกเป็นายรองหห้แล้วก็พูดว่าข้าพเจ้าคอยท้านดูมานแล้วได้ยินข่าวว่าจะมาแล้วก็หายไปแบบนี้ทาามาถแข้าพเจ้าก็จะพาาหารทั้งตงัวไปเข้าอยู่ไมฆทำ้ำเป็นไงเด็กฝันต้องมีควา ม, วามิดีเป็นธรรมดานิราเจ้าเมือง เป็นัตรูกันออกมากออนน้อยอมแพ้เจานี้รับทำบมาชีวตามระเทนี้สกท่นอี่ทหาร <c oughs> ก็เขามาบอกปมาชีวกะมุูนิวัตภรรยาของท่านนะ่ะถูกคอตายซะแล้วขะที่ทหารก า, ารายงาน็นมาเชเนี่ยก็ก า, ารายงานตหน้าเป็นายอะเป็นยก็ถำ ม, มาชีวว่าเหตุใดจการได้ ภรรยาของต้นกถูกคอตายเนี่ยมาเฉียก็เสียใจอย่างหนักเหมือนกันในตอนนี้ก็แบกเนื้อความทั้งสิ้นทั้งตังตที่ภรรยาด่าตัวเช่นนั้นแล้วก็กลัวถูกครตายเช่นนั้นก็ไปแจ้งเนื่อความกับเป็นายตามจีนผู้ประการเป็นนายได้แจ้งเดีย๋ยวก็ถือว่าหนีผู้นี้สักสู้หาผู้ใดเสมอหนี้นะก็ยเงินองไปแต่งการศพ ตามสมควรความรุ่งข น, นงก็ตาหิมะเียวนี่ยขมัเปนอหนานำผ่านยกเข้าเมืองวเสียคุณแมทั้งปวก็วกชวนกันออกมาทำมัพเตงไงซืงอหนิงเหมืนกัน่านนี้เพราะเมืองเล็กเมืองน้อยในเสฉวนเนี่ยทั้งสิ้นต่างเอือมระอาก่พระเจ้าราเสียงเป็นที่ยิ่ง ที้ไม่มีใครที่จะมีกระติกระจาที่จะสู้ว่าป้องกันศัตรูไปอย่างใดอ่ะทิงถึงจะมีอยู่บ้างนะแต่ก็เป็นจํานวนไม่มากพอเอิง่ายได้กําลังมากขึ้นการได้บ้านในเมือมั น, นได้เพิ่มกําลังขึ้นสปันป่าป ร, ปราอนาประชาประบานในเมืองตั๋วเสียต่อไปฝ่ายทหารที่แตกหนีไปนั้นอ่ะก็เ ข, ข้าไปแจ้งกันพระเจ้าเหลเสียนนํามือเสชฉวนละ เขาจรอฟังก็ตกใจก็ปรึกษาด้วยวีโหทันผีผู้กลายชิตวีโฮก็ทูลในเดียววันข่าวราชการนี้อหาจริงไหมเป็นแต่ติจปีศาจหรือกันต่อนันเกาะมาเพ็ดทูนหรอกถ้าเพอนแค่รู้ตัวหนักว่าจริงจะเท็จขบเจาะจะไปหาออดเท้ามายงผีให้พิเคราะห์ดู ะไม่รู้วเทหจริงวิธีพิสูจข่าวว่าจริไม่จริงวีโฮเป็นคนทำเช่นนี้หครับพเจ้าจเราเสียก็เคยเชื่อฟังอยู่แต่ตอนก็เคยกระทําี่นีมาครั้งหนึ่งแล้วคานีก็เชื่ออีกวีโฮให้ไหาคนสงมาเอาคนใตกกลับมาแกรมัดนี้ใหญ่เท้าเขาเรียกใหญ่เท้า ใหญ่เท้าคนโซเวียหนีไปแล้วขนาดนั้นพระเต้าเราเสียงก็ยังมีความวีตกมากแสดออกว่าเจะการเป็นผู้นางพลน้าสาวหมองทุกคนอันหนึง่งมันสื่อบอกตอนเมืองมาแต่ทิดเหนือทิศใต้ทุกวันนี้ได้ขัดคือรายงานขาวมีติดต่อกันเข้ามาเรียงเียงเลยทั้งทิดเหนือทิดใต้แหละ ทุกเจ้าเราเสี่ยงก็หารู้ด้วยขุนนางทั้งวงขุนนางทั้งวงเหล่านี้ก็เป็นขุนนางที่เอาเงินทงทรัพย์สินมาเดินเหินแกวีหโหไม่เป็นุนงใหญุ่งนางโตแต่ hắn มีสติปัญญารู้การบ้านดูแต่การใดอย่างไรนะ่ะหาไม่ดได้ขุนนานีที่มีสติปัญญาทั้งหลายก็อวนระอาติกันก็ทำห้ทุกเจ้าเราเี่ยเป็นยิ่งนกะ็อุายบอกป่ยบอกให้บอกลากันไปตำตามกัน คุณนางท่านนั้นราวนี้ต่างก็มี่งอุ่นจนปัญญาไม่รู้จะอริกายอย่างไรขนาดนั้นขับแกงขั บ, ข บ, ขบ้นขบขึ้นขบ้ก็หลุดพูดว่าหาว่จัการก็จุนตัวช่านี้แล้วคงจะนิ่งอยู่นิ่ได้คอยทีหาจูกัะเขียมหรือจูกระอีกคนนึงแล้จูกะเขียม เขาที่หาตูกัดเยี่ยมเพื่อมาปรึกษาการด้่เธอเห็นจะคิดอ่านป้องกัน็จะสัตรูได้เธอจะร่บเสี่ยง็นชอบด้วยเพือขับเจ๊งเนี่ยออกไปหาตัวตูกัดเยียมและตูกัดเยียมคนเนี้ยเป็นลุกของขงเบงที่เกิดด้มาอุ้ซีภรยาของขงเบงนางอุซีผูนีรูปชั่วตัวดำ หน้าก็ออกสีมีลักษณะนิตริษฐทั้งกายน่าจะหางางแต่สักนิดมันก็นิได้แต่ทว่านางเป็นหญิงที่มีปัญญาาติระวนรวิชากรในกดเด็ตนางนี่คุ้มมากันสูงงกานีระบความรู้อันเนี่ยคงเด้งน่ะเห็นดังนี้อาจจรงว่านาเป็นรา และได้บอกสื่อภาษาต่า ง, งให้แก่มกนันไม่เป็นอันมากพนองคนเบ่งถึงแก่ความตายมันก็เป็นม้อยู่และพระเเราเชี่อว่มีความเอนดูจูกระเทียมมาแต่น้อยเอ็งว่ามีสติปัญญาเหมือนขนเบ้งฮูบินาก็ได้ยกพระชนม์ตรีให้จู ก, กัะเกียมก็เด้เป็นที่มาอุปราชแทนขงเบ้งคือในตำแหน่งแทนนแบบาย แล้วก็ได้เป็นเครื่องจมูกเขยด้วยครั้งเมื่อพระเจ้าเราเสี่ยงเชื่อฟังแต่เถ้อยคำอุลโร้ยทันทีว่ารจะการฟันซวยไปต่างๆนานาประการนั้นจู่กัดเียงก็มีความน้อยใจเช่นคุณนั้นก็อื่นๆ เ, เช่นกันน่ะก็จีบแก้งบอกตัวบอกให้เสียวิ่งข้บมาฝ่าพระเจ้าเราเสี่ยเป็นเวลาช้านานพะขับเก่งได้รับรับสางออกมาหาตัวก็จึงรีบเข้าฝ่า เพื่อเจ้าเราเสี่ยงเห็นจู ก, กัดเยนเข้ามาแลก็ส่งแล้วก็ส่สันแสงด้วยแล้ก็บอกว่าแบบนี้เป็นไงคุณตาหยกมาตีเอาเงิป่วยเสียได้แล้วเห็นจะยกธรรมะมันตรายกับเราเป็นมั่นคงขอท่านได้เห็นดูออกมาช่วยทำการคิดานกำจัดศัตรูเสียช่วยชีวิตเราไว้ในครั้งนี้ด้วยเถอ คือเจ้าลเสียงบาดดีตรงทงกระกแสงร่าให้เทีเดวจู่กัดเียงเชื้อสายพกหลวงขมเบ่ ง, งู ก, กัดเหลียงนะ่ลูกชายได้ฟันั้นก็ร้องไห้เหมือนกันแล้วก็ทูมว่าเมื่อพระเจดียดาพระเจปีพระเจดดาของคุจะมีพระชนอยู่กนมีพระคุณแก่บิดาของข้าพเจ้า เมื่อบิดาผมง็พระเจ้าจตุรงค์แก้วามนตายก็ได้สั่งไว้ให้ช่วยผมบำรุงแผ่นดินสืบไปพรเจ้กกคิดอยู่ที่จะสนองทรคุณพระโญอันราชการครั้งนี้พระองอย่าวิกตกเลยพระเจ้จะขออาสาไปากำจัดข้าสุดช่ให้ได้พระเจ้ารอเสียงได้ฟังจูกัดเกียงรับคำเข้มแข็งจ น, น, นกวมีความยินดีไข่ตรเกณฑ์หารในกาู่กัดเขียงไปเจเมน แสด้เห็นว่าในเสย์ชวนยังเข้มแข็งมั่คนคงอยู่นะแนฐานเจ็มนในเวลาไม่มาานานใช่ไหมจูตัดเขียนกับคัมาปราดมาตัดแกนฐานทั้งพวงแล้วก็สาให้จูตัด ส, งสูงส่วนเป็นลวงปู่มีชีมอายุสิปีแต่มีที่มีเข้มแข็งเป็นกองม น, น้ให้จูตัดสงูงเป็นกอ น, น้าทาน้เลิกแล้ว ก็ยก o องทออกจากเมือเสฉวนไปเสยมีฝีมืมีสติปัญญาอยู่แต่ยังจู่กัดเย็นนิเห็นว่ามีสติปัญญาเหมือนขงเบ้งนี่ที่จู่กัดเย็นนี้มีลายคือกัดส อายุสิบเก้าปีมีฝีมือเข้มแข็งเป็นกองห น, น้าแ ต, ต้องการเสฉวนได้อยู่ยางไรอ่ะฉันไปกล่าวทางฝ่ายผู้รัวการ้องที่หน่คือเซิงไล่ฝ่ายเซิงไล่เมื่อเรื่องด้วยเสียแล้วก็ให้คนวิ่งนวิ่ทหารที่ตั้งฆ่าไรา้ทางอยู่มาพร้อมกันเลือกสร้างฆ่ารา้ทางโดยมาทิ้งทหารไดยรกซาข่าเรมันแบบน แผนการร้านานันมาลไม่ต้องไปบูรักษาข้าอยู่แล้วและแค่ามาเชียเนี่ยแผนที่เมืเสฉวนให้ดูมาเชียวกวาแผนที่มืงเสฉวนเป็นายดูเป็นาเ น, นแผนที่แล้วก็ตกใจทีเดียวเขาว่าทางจะเข้าไปแต่มึงปวยเสียเนี่ยกว่าจะถึงเสฉวนนะอีกกลถึงพันหร้อยเส้นแล้วก็เป็นซอ้วยทางเขามากนกะ มืนึ่งใส่ยวยกมาต้านทางปิดปากทางไว้และเกียร์อูยกมาตีกรนาบหลังเขา้าเราจะมีเสียทุ่ทีหยือมีเป็นายเริ่มคิดตอนนิ้ทีดียวคิดจล น, นรกระปกแป่งให้สุหม้อเป็นจังคุณหานกองรีบยกไปตีมือกินกบและําชักว่ า, าทหารมีเศษชวน จะยกมาช่วยก็ดี ท, ทั้งสองอย่าให้เสียราชการเราจะยกกหารหนุไปช่วยฝ่ายซหม่อเป็ น, นโงยกมาดกลยถึงมือกินกบก็ได้พบกับกองทัพจูกระเขียนยกผล อ, ออกมามีคงขาปัดอยู่บนเกยนกลาอักษรว่าคงเด้งมหาอุปราแล้วก็เห็นรูปคงเด้งอยู่บนเกวียนด้วยถือพักขนนกป้อ ง, อางหา ทำเป็นทำทีกริยาเป็นอาการย์สุดอดเป็นจนก็ตกใจสังขารวีเป็นขงเบ้งจริงก็จึงว่าแกทหารได้แปว่าคงเบ้ง ย, ยังมีชีวิตอยู่ออกมาจากนี้ที่ไหนคนอย่างเราจะสู้ได้จะพากันมาตายสุดซิ้นแล้วว่าแล้วตอนนั้นเองก็พาทหารถอยหลังกลับมาเลยที่ากับเขียน ผู้ บ, บ, บุกใช้าาบารมีพ่อกพืทำเอาด่านี้เห็นด้ทีก็ทาหา ร, รปิกค่ฟันทหารซูมอตเปงโจงได้ทูมอตเปโจงเสียทหารโดนปายไป็นึ่งหน้าตื่นแกรุ่นเป็นอ ร, มม า, นรามาไปเลยพอดีเปงไงยกหนุน ม, มาทาันก็เข้ารถพ่งตามหน้าไวทหารทั้งสองฝ่ายก็รบล้งรอกันอยู่เช่นนเปงไงก็ถามซูมอตเปงโจงวะท่้นทั้งสอง ที่ท่าจะได้รบพุ่งเหตุใดทหารหนีถอยกลับมาเนี้สมอดเป็นจุมก็บอกว่าข้าพ เ, เจ้าโยกไปไม่เห็นคขนเบ้งขี่เกวียนออกมาก็ตกใจจึงกลับหลังมาเพื่อจะมาแจ้งแก่ท่านติกดกลัมาที่บ้านหลวงกลับมาเพื่อจะแจ้งแก่ท่านเป็นไงก็ถึงว่าถึงขนเด้งยังนิตายก็จะกลัวอันใดแก้จิงมองเขเบ้ามากระทำได้ฆ่าสึดได้ที เราต้องเสียฐานไปมากแ่นี้นิดช็อกแน่ไนก็สั่งให้ฐานเอาตัวคนท้งสองไปฆ่าเยทหารทัานหลวงก็อ่อนวนขอโทษไว้แต่ไงก็สั่งให้คนไปสืบดูคนไปสืบกลับมาบอกว่าที่ยกกองทัพมานะ่ะคือ ก, กับเขียนมุดจู่กัดเขียนหกหลวงข่มเบ่งและที่ขีดเกียนมานั้นก็ไม่ใช่ตัวข่เ เป็นรูปหุ่นทำให้เหมือนของเบ้งรอเป็นนายได้แจ้งมันก็ตกใจทีเดียวตกใจเหมือนกันก็ปรึกษาแกถามในหลวงว่าในเมืองเสฉวนีจูกลับเขียงหมุดขงเบ้งยังมีอยู่ปัญญาทาทีหลักแหลมแต่เริ่มแรกก็แต่งคกลนล้ลวงถ้าทหารเราตายใช้เป็นเงมากจะนี้ แม่มีคิดทำการกำจัดส น, นับัตินี้ที่ไหนเราจะทําการได้ตลอดนี่เป็นไงจะรู้ว่าจูการเขียนไม่เก่งแต่ไม่ใช่รว่เก่งแล้วปุ่จะต้องกลัวเมื่อรู้ว่าเก่แล้วก็จะต้องคิดกำจัดเสียคุณุ่ที่ปรึกษาคุณก็ตื่นหวาดซึ่งทําจะทำการราับผู้กับจูการเขียนจูการเขียนนี่ก็เป็นอยู่ของ ข, อ ง, ของเด้ง มีปัญญาหลักแหลงท่านฝีมือก็เข็มแข็งเห็นจะลำบากแก่่านนะขอให้ท่านมีหนังสือไปกรอบโยนเปียกกล่อมจูกะเทียนเถเถอเห็นจะเป็นมือเสฉวนโดยสะดวกครูปุณณ์มแมให้บั น, นีเป็นงายก็เห็นด้วยก็แต่งหนังสือฉบับหนึ่งใช้ให้คนช้ถือไปถึงจูกะเทียน คนใชเน้เป็นไงก็รับหนังสือเป็นไงธรรมประลาไปหาจูดัดเขียนไปถึงก็เข้าไปแต่งความแต่ทหารก็พาตัวจัดเขียนหมอกหรือจูดัดเขียนจุดัดเขียนเยมื่อหนังมนมาฉีกหนึ่งออกอ่านดูเป็นใจความว่าเราผู้ชื่อว่าเป็นไงเป็นคุณน้องที่เจงสายโง่ขุนให้หนังสมาถึท่าน เดื่อทำเราทำประจตการมาแต่ก่อนกลับเข้าแบบนี้เขียนผู้ใดมีปัญญากว้างขวางหลักแหลมเหมือนนีมาอุปรามีบาของท่านก็หาบิบาและด้วยอยู่ในะเขาโมลังต่งนั้นได้ทํานายไว้ว่าในประเทศมูลจีนนี้จะมีเจ้าแผ่นดินเป็นสารก๊กภายหลังที่มีความอิสระจะทำประจตการ ได้เมืองเก่งจิวและมาตั้งทุนฐานเป็นใหญ่อยู่ในเมืองเสฉวนนี่เราก็ต้องเด็กทำของบิดาท่านทำไมาไว้ทุกประการแบบนี้บิดาท่านกา็หาบุญไม่แล้และถึงกันหมดแผ่นดินจะเกิดจรา จ, จนสากศูญย์ไปทุกวันเพื่อเจ้าโจฮวนสากพระไทยจริงให้เรายกกองทัพมาทำจัดรรัชสัตรูเสีย เมียนเสชวนก็เห็นจะได้แต่เราเป็นมั่นคงเหมือนอยู่ในเงื่อนมีเหตุไฉหนตัวท่านไม่ได้อาปัญญาพิจารณาดูเลยจะถึงมานะัดขัดแย้งกบดินโรจนีก่อนต้องการไหมถ้าท่านคิดอามมนุษนอกเอแเราเราก็จะช่วยทนลุบำรุงประคุณและเจ้าโจววนให้ตังท่านเป็นพี่หลงเสออ่องจะไม่ดีกว่าหรือ เราต้อง ก, กล่าวย้อนทังนิดหนึ่ก่อนว่าเหตุที่เป็นไงจันท้องเชื่อคุณปุณและก็มีหนังสือไปถึงจู่กัดเจียนเขายอมอ่านน้องแต่งตนเช่นนี้นก่อนหนึ่งเดือนว่าจู่กัดเจียนริาพาพามาก็เริ่มใช้อุบายของพ่อ เด็กคืออาแต่เร่งอาหารเสยนี่ครูผ่มาาหารางของเด็กือพัดป้องนาทำทีเข้ามาอาหารของเป็นไงนีกระ โ, โดดเกิดผ้าแพยเยินองผ้เศของีตเย็นรุม็นำผาฟัของเป็น น, นายจนวมากมาเนี่ยหวังไหวแล้วเป็นไงก็จะมีหนังสือไป เมื่อไอ้จู่แตกเยี่ยมยอมแพ้นี่ยู่แตเี่ย้รับเสแล้วก็กรตัดนั้นเองโกรชีหนงสทั้งทนใดเลยและสั่งให้ถ่านตักศีรษะผู้ถนังสือนั่เสียด้วยดีจู่กันก็ทำที่นี่มายความแบบไม่ตีกันอย่างเด็กขาดเลยทีเดียวคืทปอย่านี้เด็กเกรงอัใดแล้วสั่งกล็อคนถือหนังสือและให้มาปิดตาเนี่ย เราซอสั่งแต่คนถือหนังสือี่คือไ่้รตบเป็นงเป็นคาตอบนี่ไม่ต้องตอบกันได้ลแล้วอัดสอแล้วตักหัแต่คนที่สงคือไปเลยนี่แหละคตอบหลักเป็นไงเห็นซื้อสั่งคนถือหนังสือของตนกลับมาเพียงเท่านั้นที่กลับมาแ่ซื้อสั่งกลัวไม่ได้กลับมาด้วยก็โกรสั่งของกินเนของสอนายมีคุณานเป็นกงหล ใยกานรีบนไปรบกับจ่กัดเขียนคันจู่กัดเขียนแกงแเป็นไงให้กุมารมารองพาทายเป็นหน้าทาอ่ะก็โยกฐาออกรบกับฐานเป็นไงจะประมาณสิบเลยเป็นไงทำเสียทีหนีมาจู่กัดเขียนเห็นไม่ทีเชนนั้นก็ทหารว่ายติดตามไปทางประมาณร้อยเส้นถหารของเป็นไงเทียบชอยู่นะก็ยกปีกนาออม า, มาทั้งสองข้างทาง จู cat, HI, on, ่กัดเขียงเหนือกำลังทามีได้ก็พาฐันแปดกลับเข้าไปตั้งมันอยู่ในเมืองกินกอกดิจู่กัดเขียนแพ้เป็นไงบ้างล่ะเป็นไงก็ยกฐานก็อประชิดติดเมืองร้อมเมืองมาเป็นสามอะจู่ัดเขียงเห็นเสียทีแล้ก็แต่งด้วสมหมับมีเขตุแพ้โทรหลอกแหวกืงร้อมออกไปลแต่ตอนนี้ถูกร้อมในลานเมืองหลอกออกไปถึงนี่ถึไปถึง เพือเจ้าซึ่งยูหน้เมืองต่า ง, างขอกองทันต่างให้มาช่วยความสารแบบจะบักของเป็นโซโดานี้เขาก็หยุดโดลระไหมครับเอาเพราะเจ้าซึ่งยูบบ ต, งต่างๆได้แก่ในสือน้นเงว ก็ปรึกษาที่คุณนายครั้งตัวรอบเดือเสฉนเป็นอันตรายากเสฉวนเป็นอันตรายเดือนแตงแต่งก็จะต้าอยู่ิดอเห็นจะต้องได้รับความเดือดร้อนเพราะวิกเป็นมั่ก็จำจะต้องยกกองทัพไปเือเนยจะช็ดีารปรึาเสร็จแล้ก็จะนยี่ไหวเป็นกองทัพเป็นหมืแต่ซนย็นทัพหนแขกเปหงเปอง เป็นทับหลวงคุณหาไปช่วยเมียนเสฉวนแยกนเดินทับไปเป็นสองฐานแต่ชูสักเปี่ยตั้งมันรับกองทับเป็นไงอยู่ในเมืองกินก๊กคอยทหารการปางอยู่เป็นเวลานานก็เห็นยังไม่มาถึงจักีก็ปรึกษาแม่รัพใน่กองทัพปวงว่ด ซึ่งเราตั้งมันอยู่ชะนี้ไม่ได้ออกรบเพื่อกับทหารของเป็นงายเลยขาเสร็จก็จะมีใจกันเรือกนะจำจะต้องโยถาออกไปรถฝัากำะแมงคับดูสัคกครั้งหนึ่ก่าความปรึกษาเสร็จแล้วก็สังให้กูกับเซนมีบุตรชาย็นพร้อมกับเตียวจุ๋นอยู่รักษามเ่งกู้กับเรียมเม็นเชื่อสาหเหลือเด็กอยู่นีมีฝีมือด้วย ค็คุมงานสารผ่านไปไปรปตรูเนี้ยเป็นสารบ้านยกออกไปรถบิสไปไงไปไงเห็นมันก็แกรถถับเสีทำเป็นเสรรียถอยทัพหลีออกมาจูกระเทียมก็ถาปานไหวโจมการไปตามเข้าไปอีกแหะแต่เป็นไงเนี่ยรถเราใ้ปัญญามากกว่าที่เห็ือนกองับของจูกระเทีกออกมาน้ ก็สั่งให้กองทัพโดยเด็กตัง้งซื่อยู่แล้วรอพร้อมเตียมพร้อมอยู่แล้วหนีเข้าไปสู่วงล้อมแหละองทัพไปงานที่สื่อเหลืองตูกับเขียนไล่ร่วงตกมาอยู่ในวงล้อมได้ทีจังก็ติดระพสัญญาขึ้นทหารใะวงก็ยกขมาล้อมกองทัพตูกับเทียนเดรอบได้แต่ร บ, บกันแบบนี้มันก็แน่นอนรับไฟที่ถูกล้อมเนี่ยย่อมจะต้องเสียทีอย่างยิ่ง โ ด, โดยเฉพาะอวุยาวที่มีอยู่ในประนั้นก็คือเกาทัราวทหารของแตงไงที่ล้อมกองทัพของจูตัดเขียนอยู่นั้นก็ใช้เกทาทนระดมยินมาทุกทหารจูตัดเขียนล้มตานมากทีเดียวจตัดเขียนนั้มาร่ม้าไร้ฝ่าฟันทหารแตงไงหักจะออกไปแตงาา ง, ตงก็ขับทหารเขาไปลุยบอลยินเกาวัต้านทานวา จนเกาพันถูกมาของตูกตะเสียงล้มล ง, ลงตัวตะเกียงตกลงจากหลังมาแล้วก็ร้องว่าตัวเราก็เป็นชายฆ่าทหารถึงแม้โทษสิ้นกำลังบนสันนี้เราก็ดีแต่นี้ยอดพอที่จะทำหน้าต่อฆ่าสิจะสูวตายเอาชีวิตสมองุนเจ้าให้ปรากดไปในถายหน้าแต่ว่ายังไม่ทำขาดทำบอทหารของเป็นายก็วิ่งครูเข้ามาจัดจักตัวตะเกียงมัน ถ้าโยนตัวเป็นยี่นักเหรอตนจะต้องถูกจกับเป็นเชลยศึกท น, นิ้จูตัดเกลียนปัดสินใจชักกระมีของตนออกเชือดคอตัวเองปลายไปเช่นในที่นั้นเองฝวายที่กระสมุมีหมดมากของจูดัดเกียนเลือเดเลือดขชือกหกล้มขนเด้ง ก็ได้ออกสึ่เพียงสองครั้งสามครั้งเท่านี้แหละตังยีออกครั้งเดียวได้รบเพียงสคงาสองข่าวเท่านี้ก็มาจบชีวิตลงเส้นอย่างนี้เองฝ่ายจู่ตัดสงซึ่งเป็นบุตจูกตัดเขียนคือรักษาหน้าที่ดุนชองเธอด้วยเนี่ยถึงบิดาถึงแตความตา ย, าายาท่ากางกองทัพจนกุโกรใส่กราบจักเท้าเพ่งขึ้นหลังมากจะออกไปรบ ทหารทั้งวงก็เข้ามาช่วยเปนห้าปรามก็มีฟังมีกลาเป็นคนอักตญญาเป็นเลยระให้โทสะขึ้นมาวิ่งไปชนิดดูอเสงหลานปู่หกหลงก็ที่มาฟาฝันฐานเป็นไงออกไปยึความโกรธาหารท้้งวงนี่ดูอดสง ฟ, งฟันฟาตะลมาดังนั้ก็กัะหานหลุนออกไปช่วยกันเป็นหลายลนายละปีบรรดาสามเสสวนนี่ออไปช่วยละ ทหารของเปงไงนั้นก็พากันเข้ามาห้อมร้อมมาเป็นจำนวนพันจู ก, กระโศนไวนุนชะตันและทหารที่ตาออกไปนั้นก็ถูกล้อมฆ่าตายลงหมดสิ้นหนที่น้้าที่กองนี้แงว่ากองทัพเปงไงได้ชัยช น, นะจะเรียกโดยง่ายตายก็ได้ด้วยเหนี้ ก็เป็นแม่ทีแล้วคนยกอาหารกกันก็ไปในเมืองกินกบอ ห, หารกันป้วงที่เลืออยู่นั้นก็เข้านกนอกเด็กแตนไงแตงไงกับลูกมันในรงวันอาหารของตนตามความชอบแล้วก็คิดถึงตักัดเตีย้ยนตักับสงสองพ่อรูปเนี่ยคือการกระทำนี้เท่าจะมองเห็นว่าเป็นการการะทำที่ไม่จะมีปัญญาก็ถูกแโดยเยลือก้ล การกรทำาช่นนี้ของยอดทหารนั้นได้รับแต่งยย่อมเป็นที่ยืนว่าสู้ตายสมชายชาทหารมีความซื่อสัตย์เป็นที่ยืนแเป็นงเองที่เป็นศัตรูก็จะไม่เอาศพสองพ่ลูนั้นไปจัด ก, การฝังไว้ในที่อันสมควรฝ่าเพเล่าเสียงแกงวัดจตัดยนจตัดส แต่เซร่าทีมืองกิกนั้นและีมืองกิ น, ก, น, นก็นกกเสียแต่ข้าะึกแล้วเพื่อเราสิ่งก็จึงใหุ้นานางเมาปรึกษากันจะมีขุนนางอะไรกันอีกอค่ะเอาขุนนางเหล่านั้นลวแ่ขุนนางที่พวงก็ทูลบ่กแบบนี้ อาณาประชาราษฎรล้รบ้านบริเวณกว่าแปดสประปปทุตังบนบางคนต่างก็นขนครอบครัวพาการอพยพหบนีไปจากถิมดําหมาของตัวสิ้นนี่คือชาวบ้านราษฎรไม่มีที่พึ่งพิงทางใจเลยคือไม่อาจจะมั่นใจได้เลยว่าถ้าเป็นอยู่แล้วจะรอดมัต้ต่างก็อพยพหบนีไปสิน้นแล้เจ้ารเสีเด็นเนกฝรั่งก็ตกใจพระองค์สังนกะลทีดี พอพอดีมาใช้ก็มารายงานว่าบัดนี้เป็นไงยกทหารล่วงเข้ามาใกล้จะถึงเมืองอยู่แล้วขจรอสิ่งก็าหาเรื่คุณนายกัมพุวว่าข้าศึกล่วเข้ามาจานนี้จะคิดอาบกรารใดคุณนายจัมพุวก็จีบถุนว่าบาัดนี้ถ้าแกทหารเราก็รอสั่งระสายอีจโรอยนะนะซึ่งจะตอบชื่อะหารเป็นไงไมนเห็นจะมี้ได้ ขอพระองเดโยกนี้ปแค่ทิศใต้เถอยังมีรุ่มเรืออยู่หกรุ่มเรือเราจะไปยับยั้งอาศัยอยู่ซ่องศูนย์หารพร้อมกันแล้วจึงจะไปํำนับเมือต่งต่างขอกำลังมาช่วยจะได้คิดทําการตอบไปนี่จะจคุณมงานราวนั้นคือคุณมานที่คุณโฮขันทีนำมาแต่งตั้งขึ้นราวนี้แนะนำน่านนี้น เจียวจิวนั้ก็ถูนขาดขึวอันทมเงียนโบราณซึ่งจะตั้งตัวเป็นเจ้าแผ่นดินนั้นจะได้อาศัยกำลังผู้อื่นก็หาไม่ได้ย่อมเพียพรพยายามได้เต็มดีด้วยปัญญาความคิดและกำลังของตัวอยากจะตอได้วยาสุดนี้ได้เข้าไปลบนอกเมืองต่างๆนั้น ใชว่าเมืองการสังจะตั้งมั่นเป็นเอกโทอยู่ก็หามันเสือเวนเสียแต่วีโกแล้วเช่นการสังก็จะเสียแก่วีโกะอีกเป็นมั่นคง น, นานไปก็ต้องกลับไปขมักเขาก็จะไม่ได้อับไปเยอะเป็นสซ้ำไปนะทำเช่นนี้จะต้องการอันใดถ้ากลับไปขมักับพระเจ้าวีโกะเช่นแต่ครั้งนี้ พอเห็นจะได้อายแต่เพียงครั้งเดียวขอให้พระองค์ดำริดูเถิดเจ้าจีนแนะนำเช่นนี้เราเสี่ยนได้ฟังแล้วก็เห็นชอบด้วยคอยจัดแจงสิ่งของเครื่องบรรณาการสู่จอบไปคำมะและนะ้วขณะเมื่อพระเจ้าเราเสีย่ยนแค่ไปอ่อนน้อมไปข้าสึดนั้นาย แต่เล่าอีกหลายคนเหล่าย่อยเหล่าเอียวเหล่าจ้องเหล่าจานเหล่าสุนเหล่ากี้นีเ่เป็นบุคลากรทั้งหคนเนี่ยจะได้ทัดงานแต่ประการใดก็หาฤทธิได้ก็มีเล่าขังมือคนที่หา้าได้ว่าจะเจียวจิ๋ว่าไอ้เจียวจิ๋วนี้มีเป็นคนฤิ์ดีหาตะตันอยู่นทธิดได้ การสึกมีมาก็ไม่ได้คิดอ่านรักษาเจ้าทำเงินมีหรือจะให้เกิดศัตรูไปทำมแต่ผู้อื่นถึงมากว่าจะตายก็ควรจะสู้เสียชีวิตจะนบนอ ก, นอกแก้ค่าศึกหาควรไหมมีเหล่าขำดูจะมีเชือสายเล่าปีอยู่บ้างเหาำลูกเราเสียนเหล่าเสียน ล, ลูกเหลาปีเนี่ยเาคําบุรีกล่าวดังนี้ ที่เจ้าเราเสีย่ยงจะยิงเล่าขำว่ากล่าวจ่วงจาบหยากช้าแก่เจียวขิวดรงนั้นก็จริงว่าบรรดาขุนนางทั้งดวงปรึกษาว่าจะไปคำมั่นเห็นชอบด้ยวยกันสิน้นเป็นชไหนตัวเจ้าก็เป็นเด็กถือทิฏฐิมานะว่าฝีมือกล้าแข็งรู้กว่าผู้ใหญ่จะให้อนาประชารัศดรได้รับความหยุดรอมันมิชอบเหล่าขำก็ทูลว่าทหารในเมือเสฉวนนะ่ะใช่จะสิ้นเมื่อไร ในเฟชขนยังมีทหาร อ, อเป็นหลายหมื่ขาะจะจัดแจงกองทัพออกไปต่อสู้เรือ้าศึกได้อยู่อีกระการนี้ยัยไมีรู้คิดกันแต่สักคน อ, อันหนึ่งเกงอุ้ยก็ังรักษาด่านอยู่ภายนอถ้าจะมีหนังสือบอกให้ไปถึงให้เกียอกนนกือุกระนาบหลั่าศึกตีกระทบเข้ามาเป็นสองทัพเป็นนายก็จะแกดพายกลับไปเอง นีพอที่จะอะไรยศแก่ทหารเรื่งกก์ชนีดเลยมี่เล่าขำนาเล่าวดังนี้เนี่ยฟังเอาทำฝากพระเจ้าเราเสียนน้นก็จริงว่ามึงนี่เป็นเด็กมิได้รู้ลักษณะดีแลร้ายจะมาขัดขืนผู้ใหญ่นั้นเราไม่เชื่อฟังเล่าขำเด็กฟังพระราชบิดาว่าฉะนั้นก็น้อยใจเอาหน้าเขากระทบกับสิรา แล้วก็จึงที่ว่าพระอัยกาคือเล่าปีพระอัยกาทรงพร ะ, พระาาสระาทและทําความเพียรมาก็ได้ความลำ บ, บากรวมเป็นสาหาัสจึงได้มาตั้งเป็นภูมิฐานอยู่ใ น, นเมืองเสฉวนจนได้สมบัติสืบงงมาควรหรือมิได้คิดถึงความยากของพระอัยกาเลยอย่างนี้ทําไรจะสมบัติไปยกให้แต่เพือ่อนหนึ่งเนีนนนะ้มิควรนะมาสวัการมาจวนตัวเข้าก็ดี พู้องค์กับข้าราจการผู้มูทั้ง7คนนี้และเสนาบดีทั้งตัวงก็ควรจะช่วยกันไปต่อสู้ในคาสุดให้ตายเสนาธัมการสงครัมยังกระเสิฐกว่าติดกันยอมอับประโยชน์แต่ผู้คนถึงว่าตายไปพบพระอัยกาในเมืองผีก็หาความติดพวกนี้ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ตายไปแล้วจะไปพบพระอัยกากันได้ย่างไร คือตายไปเมืองผีจะไปพบเราปีได้ยังไงพระเจ้าเราเสียงก็มิฟังกระวาเอาทีเดียวแล้วก็ขับไล่ออกไปจากที่นั้นเราขบมันน่ะกลัวบิดนาเนี่ยจะอยู่ต่อไปก็มิได้พูดอันใดก็อนนี้จะเป็นผลเลยแม้แต่น้อยถูกขบับเช่นนั้นก็จึงเดินร้องไห้ออกไปเป็นนั้นว่าพระเจ้าเราเสียง และคุณมานทั้งปวงสิ่งนี้แต่จะชวนแพ้แต่ประการเดียวไม่มีใครที่จะมีกระติกกระใจที่จะคิดต่อสู้เลยตามที่เราขำเลยกล่าวแล้วนะนะั้นเป็นความจริงในเสดชวนยังพากพร้อมด้วยทาหารอีกมากเว้นแต่ขาดผู้นําอันสมควรสืบเลียงอาหารก็ยังอีกมากมายนะด้วยนี่พระเจ้าเราเสด็จขับเร่าขาออกไปแล้ว ก็แต่ให้เกียวเกียวเกียวเกียวเป็นเสียงสามไมยนี้ให้คุมเครื่องบัญชาการและตราหยกสําหรับว่าราชการเมืองออกไปขมับเป็นไงณเนะมืองป่วยเสียเป็นไงเห็นทหารทั้งสามไมยเข้ามานอกน้อมก็มีความยินดีรับเอกตราหยกไว้และวก็ใหานสามคนกลับไปแจ้งแกพระเจ้าเราเสี่ยงว่า คะเจ้าเราเสี่อมอยู่ปกป้องอาณาประชารัศดรท่าบ้านบรมีได้เป็นสุขเถิดเราไม่ได้สมรตรายแกะท่านแล้วครั้นพระเจ้าเราเสี่อมแจ้งดังนั้นก็สึงแต่งนี้สือไปถึงเกียงอุยให้เร่งเ ข, ข้าไปคำนับนบนอกแต่เป็นไงเสถิดมีมีนังสือไปถึงเกียงอุยให้แพ้เสเถิดแล้วให้ลิขหา่าวออกไปแกล้งแตเป็งงานายวัดเดืน ย, ยี่ขึ้นขังน้งจะออกมาคำมมนับ ให้เอาบัญชีพลเมืองเสฉวนและสิ่งขอในธรรมการออกไปแจ้งด้วยครันดิลิฮามาถึงเมืองปลวยเสียก็เข้าไปทำมาแต่เต็งไงแจกเนื้อความทั้งปวงให้ทรและเอาบัญชีส่งให้เต็นไงดูบัญชีมีเสฉวนแล้วนั้นมีครัวถึง8ปดหมครัวยญิงชายใหญ่น้อย 941าี่หนญิงชายใหญ่นอนคือ พ, พลเมืองนะ่ะ941ี่ทหารที่กินเบี้ยวว่าส2 0 0 0นพน่ที่เป็นหารอก1นะิบน่ะที่เป็นราษฎรแต่หญิงชายทั้งัวงนั้นรวมแล้ว94นะี่ะเฉพาะทหารนี่1ิบ0มสองพ มีข้าวในฉานสี่0ิมืนเศษทอง 2,000 ชั้นเงินส0 0พชั้ น, 1, 2, นแพรบีสีต่างๆอย่างละส0 0 0มพระและสิ่งของทั้งปวงเป็นอันมากเป็นไงนั้นก็มีความยินดีนักละบนข้าวเศษเรียกว่าได้เศษ ช, ชวนก่อนจงโรยเป็นไงก็แต่งโตเรียนวิหาวตามอย่างตามธรรมเนียมแหละ ที่ห้าครึ่งแกงว่าพราะชบิดาให้ออกไปขมับไปเป็นนายแล้วเล่าขำก็ถอดกระดีเรยกว่าถือกระดี่เลยคมเข้าไปเลยทีเดียวแต่เข้าไปหานางซุยวหยินผู้ภรรย า, ยานางซุยหญิงก็ถามว่าเป็นฉนหนวันนี้พระพาทกินป็นอยู่สรงก็โกรธสิ่งใดหรือเล่าขำก็บอกว่าบัดนี้ ทหารเรียนวิศกะยกเข้ามาย่ำยีถึงของคันกระเสมาพระราชบิดาเราก็ไม่ได้คิดอ่านที่จะต่อสู้ให้ออกไปนกนอกแก่ฆ่าศึกเสแล้วตัวเราเกิดมาในวงเพื่อจเจ้าเล่าปีวิเคยได้อ่อนน้อมแก่ผู้ใดครั้งนี้จะพลอยทำนัดฆ่าศึกเดืยอนั้นก็เสียดายชาติตระกูลของเรา ผิดนักก็จะเชือดคอตายจะดีกว่าอย่าให้เสียสัมมีเหล่าคำมียังมีเชื้อสาเยเวทนักสู้อยู่เป็นตัวทีเดียวนางซุหูหญิงก็คือว่าถ้าโปรดรักชีวิตจะเชือดคอตายซะแล้วตัวข้าพเจ้าเป็นบริยาของพระองค์จะอยู่ไปให้อภัยยศแต่ศัตรูก็หาประโยชน์นี้ได้ข้าพเจ้า จะขอไปตายกับพระองค์จะประเสริฐกว่าว่าเท่านั้นแล้วนางซุยฮุยิงเนี่ยก็เป็นหญิงนึงที่ใจเด็กทีเดียวแม้แต่ผัวศิษยาตอนนี้ก็ยังจารึกชื่อของนางวะนางซุยฮุยินเนี่ยเมื่อกล่าวเช่นนั้นแล้วก็ศิษะฟัด ก, กับเสาศิลาศาิษยาแต่ถึงจะความตายก็ในทันทใด เล่าขังเห็นระยาา ต, ตายแล้วก็ฆ่าบุตตั้งสามคนแทบกระสิษามุตรตั้งสามคนกระธิสานายซีหญินไปตั้งบูชาวที่มาตปที่ฝังศพพระเจ้าเล่าปีและก็ร้องไห้ร่ำรำพันว่าตัวข้าพเจ้าเล่าขังนี้เป็นหลานของพระองค์ ใจจะรักษาแผ่นดินไม่ให้เสียเกียรติยศของพระองค์ไปบัดนี้ขบเจ้าจะรักษาจรษาจรีประเพณีของโรงไว้ก็มิได้แล้วขบเจ้ามีแต่ชีวิตก็จะขอเอาชีวิตนี้ออกบูชาสนองคุณพระองค์คุณองค์ทรงองรุตส่าห์ตั้งภูมิานไว้เป็นที่พำนักแก่แขบเจ้าผู้เป็นหลานเล่าคำว่าเท่านั้นแล้ว ขบกระบี่นั้นเชื่อคอตัวเองใช่ถึงแก่ความตายไ ป, ไป ก็จการรบมันคือรืองสั้นๆตรงนี้ก็ตามเสอะแต่เชื่อว่าเราท่านทั้งหลายฟังแล้วคงพอเกิดความเข้าใจกันได้อย่างรึกซึ้งดีอยู่ถึงไปกล่าวถึงฝ่ายผู้ชนะเถิดคือเป็นงนายครั้งถึงกำหมดเดืนไอ้ขึ้นหน่งขามแล้วก็ยกตารมาแต่เมืองปวยเสียจะเข้าไปในเมืองเสฉวน พระเจ้าหลอเสี่ยนแจ้งว่าเป็นไง ย, ยกมากบพาบุตรที่เหลือหกคนและคุ้มนางอีกประมาณหกสิตรีบออกไปรับเป็นายถึงประตูเมืองแล้วอนาประชารัชดรนทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็จุดธูปเพียนรขมับบูชาตามสองข้างทางนันแหละคือก็ต้องทํากันแค่ น, นี้ตามประเพณีพระเจ้าหลอเสี่ยนก็อันเชิญเป็นายให้เข้าไปในเมือง กันเป็นายเข้าไปตั้งอยู่ในเมืองเสฉวนแล้วเป็นไงาฐานะแม่ทัพผู้ชนะนก็ตั้งในพระเจ้าเล่าเสียนเป็นพี่แถวขี่จงกุลคืออุลกจการากราษฎรแห่งเสฉวนรงมมาเป็นเพงตําหน่งจงกุลในฐานคนนี In ้เท่านั้นเองแถวขีจงกุนแล้วค่อยฐานตรวจตราซัพย์สิ่งของทั้งมวลในท้องระครัง ตามบัญชีครบถ้วนทุกประการแล้วตามที่นีหนังสือมีบัญชีบอกไปก่อนแล้วนี่ผมมาตรว่สอบของนี่ครบถ้วนทุกประการแล้วี็มีใบบอกหนังสือแจ้งถึนไปแก่พระเจ้าโจรอวนนาะเมืองวิกกบตามที่ใดตามที่ตนได้กระทําแล้วนั้นเป็นกระ่งบ่าเฉยเฉลิมเรียบร้อยแล้วนี้ให้ได้ตรวจสอบทุกประการ กิจการภายในเสฉวนก็ได้รู้ถึงความเป็นปายแพดริงเห็นเสชวนที่พินาย่อยยับเสียแต่ตนโดยง่ายเนี่ยก็ต้องกล่าวว่าลุด้วยบุคคลคนเดียวคือวีโฮขันทีสึ่งเป็นคนสอพลอแต่ก็ะทำให้กิจการแผ่นดินมานเมืองต้องฟั่นซือนไปเนี่ยเป็นนายก็สั่งให้ทหาร เอาตัวฮโฮขันทีนไปฆ่าเสียฝ่ายวีโฮขันทีผู้นี้รู้เช่นนั้นก็อาเงินทอไปปิดสิงบนแต่คนสนิให้ช่วยติดเงาปกป้องกันตนแล้วฮุโฮก็ซุกซ่อนตนอยู่ไม่ได้ออกมาให้ปรากฏต้องกล่าวว่ามิถูกฆ่าตายแต่ก็ต้องจำเก็บตัวเงียบอยู่เช่นนั้น ในที่นี้จินไม่ได้ถูกฆ่าตรแต่ก็ต้องเก็บตัวเงียบเหมือนปลายอยู่เช่นนั้นเหมือนกันฝ่ายเสียวเขียนผู้สื่อสื่อรับสั่งมาให้เกียวอีแพ้น่ะเกียวเอียนผู้สื่อรับสั่งมาถึงด่านเกียมโกะและให้เอามู้สื่อข้อรับสั่งไปแก่เกียมอี ยงปีแจ้งความในข้อรับสารก็ตกใจนิ่งตะลิงชาไปทั้งตัวเลยคือเสยชวนแพ้ซะแล้วเนี่ยคนอยู่ทางเกียโรโปนี่ไม่ทราบความเลยอ่ะมาทราบเอาแบบนี้มีรับสารมาให้คนยอมหอม้อม้วย้อย่างนี้ทหารท้าต่วงรู้ดังนั้นกดชวนกันรอ้องไห้คินนมงไปทีเดียว พวกเราทั้งหลายอุสาออกมาทรมานกายปราธนาจะต่อสู้กันจัดฆ้าศัตรูเสียเหตุในพระเจ้าเราเสียนจึงมายกเมืองใหเกิดแตงายโดยง่ายจะนี้ไม่ควรเลยเกียรตเห็นทารทั้งปวงล้วนแต่สับซื่จะบร้อนด้วยกานดินฉะนั้นก็ปลอบเยนว่าท่านยัดทุกโซวไปเลยเราจะคิดอ่าน ยิงเอาเมืองเสฉวนคืนให้จงได้โดยอุตสาห์ช่วยกันทำการจะได้ยอดยอ่อนผลจะสําเร็จด้วยความเพียนของท่านหลวงปู่นี่เกร์อุ้ยมีมานะที่มาเช่นนี้ทหารท่านหลวงก็ทำนับและต่างก็รับคำว่าธัญวิทตกเลยขบเจ้าทั้งหลายนี่จะขออาสาจงกว่าจะตายเกียร์อุ น, นั่นก็จริงแต่งคนให้แต่แจ้งแตกจงโหยโ ดีขุนทัพของวีโกอีกทูดที่ดูถูกเป็นไงกว่าจะเข้าเสฉวนได้ยังไงเป็นานได้เสฉวนไดแต่จงโวยนี่ยังไม่ได้นะตอนนี้เกียรอุเนี่ยแตงคุณได้บอกแต่แบบจงโวยว่าบันี้เกียร์อุยจะสู้รบด้วยขั้นนี้ได้แล้วจะขอมานกนอกตามประเพณีเกียง์อุ ก, กลับไปยอมเข้ากับจงโวย จงโฮยแก้งจะไม่ค่อยคนไทยกลับมาบอกแกกียงอว่ะใหกเชิญท่านมหาเราเถอะกวี๋ก็ไปหาจงโอย่างค่ายจงโฮยก็ออกมาต้อนรับกอับไปจากที่ทางให้นั่นตามสมควรคำนับเป็นตามประเพณีแล้วคือโดยัก์สร็แล้วกียงอวี๋ก็ยิ่งยายผู้นินแห่งเฟชว น, นจงโฮยก็แห้ทับวุ้ยก็ไม่เอาก็มาเถียนสมควรคำนับเป็นตามประเพณีแล้วจงโฮยก็ถาม ก็เหตุนายท่านที่มาทมาเราเอาต่อป่านนี้ก่้ก็ตอบบัตัวข้าราานี้ข้าราารเราเสตั้งเดกเป็นผู้ใหญ่รักมอปราชการบ้านเมืองทั้งตัวข้าราาเป็นคนมีธุระ ม, มากถึงมากวาจะมาทมาธนบัตนี้ก็เร็วอยู่แล้วแต่ว่าชา้านักหาม่ดด้วยเขาเาราชกแจ้งบัตัวท่านมีสติปัญญ า, าก ยกมาทางนี้ข้าวแก่ทารทั้งวงก็แข็งแกร่งข้าพเจ้าประมาณการดูเห็นจะสู้วิบได้กินข้ามาคทำน่ะแม้ว่าเต็งายยกมาทางนี้ที่ไหนข้าพเจ้าจะออกมาหาถ้าเป็นเต็งายแล้วก็จะสู้รบจนกว่าจะส่้ยชีวิตยงด้วยกันอันหนึ่งข้าพเจ้าก็แจ้งอยู่แต่ก่อนมาว่าพระเจ้าโจฮวันเด็กตั้งตัวถ้าเด็กเป็นใหญ่ทางนี้ก็เพราะ ปัญญาความคิดของท่านช่วยพนุบำบุงให้ปากคาคนก็ยิ่งู่ส่งเสริมท่านเป็นอันมากนี่เกียร์ุยจะมาม้ไหมกับจงโอยเข้าไปส่งเสริมจงโอยแนี้แหลจงโอยฟังเกียรยใจยกย่องส่งเสริมตัวนั้นก็ยินดีนะก็จับลูกเก่าทามาหักเส้นในขันใดเลยทีเดียวแล้วล่าปากสามารเลยว่าแนี้ไป เราจะมิได้ทําร้ายแก่กันท่านกับข้าพเจ้าจงเป็นพี่น้องร่วมชีวิตกันสืบไปเถอะนี่สามารถเป็นพี่น้องกันเลยแล้วข้า ย, ยืนอวยตั้งอยู่ตามฐานนาซักกลับมาควบคุมฐานดังเก่าล่ะยืนอียกลับมาเป็นแม่ฐานดังเก่าคุมกองทัพรวมของตนถ้าจะกล่าวไปแล้ว ย, ยืนอวยสามารถย ความเป็นศัตรูกับจงโฮยได้เส็นทางหนึงนั่นเองเกียรติขมับรากลับมายังด่านเกียนโกแล้วค่อยเพียวเห็นผู้ถือหนังสือมาเนี่ยกลับไปเล่นเสชวนเกียรตอุยจะดำเนินการกู้เสชวนยังไงหันไปดูทางเป็นาง เป็นไงเข่าเสียชวนได้เรียบร้อยตั้งกองกำลปราบปรามอนาประชารัฐสะดอเป็นปกติแล้วก็ตั้งให้ซูม่อเป็นที่ขุนนางทูใหญ่ยยว่ารัะการเมืองให้องอิงนเตียงห้องสองนายออกไปตั้งปราบปรามหัวเมืองทั้งปวงัารจัดแจงเสร็จแล้วเป็นไงก็ยกฐานออกมาตั้งอดีนะัเมีมกินโป๊ให้เรียกหาขุงนานเมืองเสียชวนก็มากินโต๊ะพร้อมกัน ขนาดเมื่อเซฟูราอยู่นะ้นแต่งก็คิดว่าแต่ท่านทั้งปวว่ามือท่านทางนี้มากนะหากว่าเราเป็นแม่ทับมาหรอกนะท่านทั้งหลายทัานโพวิติกรตั้งตัวอยู่เป็นสุกในโดยปกติถ้าฝุงอินเป็นนายทับเข้ามาได้เสลิฉวนแล้วเนี่ยที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้มานั่งเซสุราอยู่จานี้นาทีกจะเป็นน้ำตาไหต่างๆกัน เป็นนากล่าวบังนี้คุณนายท่าน ต, งตวงกับคุณนายเสด็จชวนนั่งหลายแหะไปยิงเป็นนายว่าดังนั้นก็ชวนกันคำนับสิ่งทุกคน mm. ก็พอดีเกียวเห็นมาถึง mm. ก็เข้าไปแจ้งว่าบัดนี้กี้ยวอุอ้ยได้เข้าไปคำาับดิฉันโหยแล้ว mm. เป็นไงได้แจ้งก็มีความโกรธเจงโหยดังมิเคนสูงไม่ออก ก็จิงแต่งเสียให้ท่านถือไปให้แกสูมาเทียวนักเมื่องมุ่ยก็สุมาเทียวแต่รับมือของเป็นไงอาดูแจ้งในใจความว่าข้าพเจบเป็นไงขอคำนับมาถือจิ้โงโขงหมาอุปราคา เป็นตำแหน่งของสุมาเกียวครับเป็นจินโกล์ขาพเจะาเป็นไขอกําหนามาถึงจินโกลมหาอุปราด้วยข้าพเจ้ายกทหารมาตีมืองเสล่ฉวนนั้นก็ได้สำเร็จแล้วั้นจะยกทัพกลับมาโดยเร็วทัดแกละทหารนั้นพวกก็ยังบอกช้าอีกโดยนะก็จะขอพักทหารยับยั้งอยู่ใ น, นมืองเฉลี่ฉวนให้ทัดแกละทหารมีความพาศุก่อนและตัวเล่าเสี่ยงนั้น มีความมีเลีเอดแต่เล่าเสื่อเฉยเฉยเลือดซีเฉยเฉและตัวเล่าเสียงนั้นข้าพเจ้าตั้งไว้เป็นที่แพวตินจงขุนและทรัพย์สินของท่านพวงนั้ น, น, น, นครั้งข้าพเจ้าจะส่งมาก่อนหรือก็เป็นทางไกลเพื่อจะเกิดอันต ร, รายในการทางตัวข้าพเจ้าก็จะมีทนต่อความผิดแบบนี้ข้าพเจ้าจะรวบรวมกันว่าเป็นปกติอยู่อันหนึ่ข้าพเจ้าให้นวาน่ามีการตังก็จะมีมาอ่อนน้อมเกระด้างกระเดิ่งนะ และถ้าแต่แก่สารทั้งพวงหายกิทธิรยแล้วก็ใช้ตกแต่งเรือรบยกไปตีเมงการฝั่งทีเดียวฝ่ายพระเจ้าซุนยูนรู้ว่าเมืองเฉลิมวนเสียแกเราแล้วก็เห็นจะไม่ตั้งแข็งอยู่ได้ดีร้ายก็จะเข้ามาอ่อนน้อมต่อเราอันเมืองการฝั่งนั้นก็จะได้โดยง่ายเป็นมั่นคงถ้ากําเร็จการทางนี้แล้ว บกบเจ้าก็จะยกฐานกลับมาทานับท่านนี่คือความในหนังสืของเป็นายชนิสุมากเกี่ยวเด็กแจงในหนังสือดังนั้นก็ต้องคิดรีเดียวลวะคิดสงสัยเลยว่าเป็นายไปตีในหนังสือชวนแล้วเนี่ยมีน้ําใจกําเริ่หวังจะตั้งตัวเป็นใหญ่จึงยังไม่ได้กลับมาและยังคิดมั้งอาจจะไปตีการ์ตูน เป็นนายที่จะคิดขบถทำร้ายแต่เราสุมมาเที่ใครจเป็นนี่จ่าที่ยัถ้าเป็ตัวนี้สมัครเป็นข้อรับสังว่าอืมความเี้นะครับถ้าความนี้ไม่รับก็จะเจอเัอ ก็จะกลัอวออ้างรับสั่าแทท่นิ้นเดียวกันเนยเส้นเดียวกันเหมือนกันนี่ยิดแต่เองชนองแลวก็บกเป็นข้อรับสัง่งก็เหมือนหนังสือีจมตีโศกฝาความเห็นนอยครัวงใช้รั บ, รบ B, ั่รับสั่โดยองค์กระสังนี่จะติดรับสั่เองเรามาีกเ่นกันชิมารเตียแต่งมิสูเป็นใจวางล่ เป็นงานมิจาทิพย์ที่สกปรกมีารท่แกลมมีดิสเกิร์ตชีวิตยกให้คนมาตีเป็นดเฉี่ยความนงวามชอบนะตั้งให้เป็นงานเช่นยี่ใครที่มีสามีงามนี่ดีถือเป็นตำแหน่งใหญ่ล่ะสามีงามนี่เป็นสื่อของ เป็นข้อรับสังเป็นข่ตั้งเป็นแนวใหญ่โตขึ้นไปมีรารใหญ่ขึ้นแล้วก็ปั่นเมสิลขงชิมาจิเรนฉบับนี้ชื่อใจแต่ไม่เชื่อเขาเลยแล้วเชื่อใจที่มิสิแล้ก็บกันเป็นแนวเลี้ยงสูตร อย่างนี้มิสชิพ่อครับสั่งเงินแล้วคือให้เป็นคุเป็นพี่ให้ดีมิชันแนนในนี้ออก็ทำารับตามโประเล์นี้ฝ่ากมิสชิเพยงมิสชิที่มาเรอที่ให้มานันก็เอาไปแก็บเป็นนายเป็ น, นาก็คิดกันอกออกกันดีเพยงไม่ใช่สว่ว่า ซึ่งจะทำการสืบความภายใต้นี้นจึงบอกกล่าวิดที่ได้ทราบเออย่างนีกเลี่ยงแต่อันโรธใจให้คิดนี้ขมวดหน้ามือนี่นิสัท่นี้นิสัของที่มาเปลี่ข้อความท่านนี้ถ้าจอว่าความจริงแล้ถูกต้องฉันควรบอกเพื่อนฉันว่ามีพฤติกรรม เ น, นี่ครับากนยัก็ตามจะทำแทนแบบก็จะ้งบอกกล้าพูก็จะ้อราบก่อนจะทากามนี้เราพตายเลยนม่แต่ถ้าไม่เชมถึงต้เงีความเชื่อถึจะทำาทนที่ครไม่อม่านั้นจะบอกกล้าพูดก็จะากออย่ารูมาเอาแต่ทำร้ายให้ค well. right. ิดด้เ ความไม่รู but, but, so who, im, mainland, lady, father, ้สื่อหยาบแต่ว่าความร g ้ดีจะเกิดหนักหนาต่อใจของใครสักรายและต่อใจของผู้ใดเลยก็เป็นเน็เป็นนาขึ้ใจใหญงเป็นนาขึ้นใจเสียชือเป็นนาขึ้นเมตต์วัดจนโห เป็นางานเอ็นมือซีที่นีีควานากายสุดยดก็ติะละแ่เมื่อสี ร, รัชสรมาทาการถึงจดนี้เขาจะชวนทีที่จะทำการต่อไปจำเพาะแต่เะต่องบอกต่อไปทนก่อนอีกเล่าและเมืมเรร่อพันหกปลายเราเป็นมือซีรัชสัตอบมาถึงนี้นก็จะท้าทางวิธที ราศีก in ins ันเนี่นิสัยก็เป็นเป็นแนวไม่แต่งแต่ว่าไม่ยินดีเลยเป็นไงนั้นก็ต้องให้คนดูนิสัยต่อไปทีเดียวซึ่งถ้าไปเจ้ามาทำการเครื่อนที่ไกลไม่เห็นได้สคลื่ทีแล้วจงนัลไว้บอกมาให้ถึงก่อนจึงให้ทันการอภัหลังนั้นจะไม่เสียการไปน แต่ขบจเด็กที่ดีและหมดไปจะริขันการสนับสุณกล้าให้สำเร็จให้เสิ่งนี้บอมาใก่อนจะการมาหรือท่านเจ้าพูแต่จตามแต่ขจเจ้าพกิการของขุนตีให้เก็ดได้ลันี้ของเป็นมามั่เป็นสืบพั c ธุเกิดเด็ท้หรือเด n ือซีกอ l นนี้ถือเครื่องมาขึ้นมาเจอขึ้มาเจอแล้วเวด็กความมอซีไม่เข้ามนอนละ่ะขึนมาเจความเซนต์ไปเหยือ่อมือถือไปแต่พื้นที่แบบพื้นนอตแต่เป็เปข้อญจะไม่ีกกทก่อนนะ้วคน